ผมไปพู้ที่ไหนเลยมักจะมีคำถามที่ถามเป็นประจำสาหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมถามว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติ ด, ด้วยสงสัยไหมต้องมีนะเนี่ยสงสัยดูหน้าก็รู้ว่าบางคนสงสั ย, ยทำไมต้องปฏิบัติ ด, ด้วยชีวิตเราเนี่ยมีความสุขอยู่แล้วพุกมันก็ไม่มีมันสบายสบายอยู่แล้วธรรมะไม่จะเป็นก็ได้ต้องมาปฏิบัติธรรม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 อันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราขาดธรรมะนั่นเองขาดธรรมะจิตใจยังไม่มีธรรมะบางคนบอกว่าทําไมเขามีความสุขแล้วต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยสุขจริงหรือเปล่าคนที่มีความสุขแล้วเหมือนคนที่กินข้าวอิ่มแล้วนะไม่ต้องกินอาหารเสริมแต่คนเราบอกมีความสุขแต่ยังต้องแสวงหาความสุขอยู่อันนั้นสุขหรือคนที่มีความสุขแล้วไม่ต้องแสวงหาแล้วมันมีแล้วพร้อมแล้ว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 ว่าร่างกายเป็นเรามันจึงเป็นทุกข์มากต้องยึดมั่นถึอมั่นและทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงถ้าใจไม่ยึดมั่นถึอมั่นแล้วก็แม้แต่ร่างกายจะเป็นยังไงก็ตามใจก็ยังสบายดีอยู่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยร่างกายเป็นทุกข์แสนสหาหัสแต่ใจยังปกติได้แสดงว่าทุกที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ที่ร่างกายที่จิตใจไปยึดมั่นถึอมั่นว่าเป็นตัวเราของเราถ้าเราใจปล่อยวางซะได้แล้วก็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 ผู้ขอมักจะเป็นผู้ที่น่าเบื่อหน่ายของผู้ให้ผู้ให้มักจะเป็นที่รักของผู้ขอเราจะเริ่มเข้าใจเริ่มงขงจิตใจเราเนะี่ยสำคัญมากนะเรื่องของจิตใจเราเป็นคนขี้โกรธแค่ไหนปฏิบัติธรรมจะรู้แล้วว่าโอ้เราหงุดหงิดหงุดหงิดมากก่อนการปฏิบัติเราไม่เคยรู้เราเป็นคนขี้โกรธแต่พอปฏิบัติแล้วเนี่ยโอ้เราจะรู้เราทําไมโกรธมากเลิศเกินทาไมกิเลสเรามากเลิศเกินก่อนการปฏิบัติไม่เห็นกิเลสตัวเองเลย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 เพราะการปฏิบัติเป็นการสํารวมระวังเฝ้าดูกายดูใจเราเราจะไม่รู้หรอกว่าเราจะมีความหลงลืมสติมากน้อยแค่ไหนอี่ตอนปฏิบัติจะรู้ว่าอ๋อนี่เราเป็นคนขี้ลืมสติเราขาดไปบ่อยเราจะรู้มันได้แต่ความรู้รู้ ร, รู้งนั้น่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่รู้จักตรงนี้เลยเราจะวางตัวเราไม่ถูกในสังคมอันเนี้ยสำคัญนะเวลาที่มีความทุกข์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 ถ้ากายที่มันเคลื่อนไหวได้แล้วก็ยิ่งดีใหญ่เลยอย่างพวกเราเนี่ยอาศัยกายเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวไม่กายไม่ไหวก็ตายนะเห็นเวลาอาการของท้องพองเคลื่อนไหวไหมถ้ากายที่นิ่งๆอันนั้นมันไม่ใช่กายก็ะถางต้นไม้มันก็นิ่งนะแต่กายต้องเคลื่อนไหวอาจจะไหวแบบเป็นอีเลียบทย่อยๆพองพองท้องยุบ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 แผลกลางใจเกิดจากอาดีตทั้งนั้นใช่是是ไหมแปลของเก่ามากินทําไมมันผ่านไปแล้วมาล่าสมัยแล้วเรื่องเก่าๆมาล่าสมัยแล้วลืมเต๋อเถ้าจะคิดก็เอาไปเป็นครูไม่มีปรยชอะไรของเก่าๆ เ, เอามาอุ่นกินไม่อร่อยเท่าของใหม่ๆคือชีวิตปัจจุบันอยากมีชีวิตใหม่ทําใจอยู่กับปัจจุบันเข้าไว้ชีวิตจะใหม่เสมอใหม่ทุกวัน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 ใม่เสมอให ม, ม, ใหม่ทุกวันเนี่ยที่พี่จะมีความสุขเนี่ยนี่คือเรื่องปัจจุบันนะอนาคตก็อย่าไปมองอนาคตเนี่ยมันไม่มีหรอกมีแม่อนาคพุ่งนี้ก็ยังไม่จริงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจริงกว่าเราจะมีความสุขก็ปัจจุบันนี่แหละอย่าไปรออย่าไปรอเอาความสุขอนาคตเราดึงความสุขอนาคตมาใช้ปัจจุบันให้หมดเป็นคนไม่อนาคตไปเลยอย่างี้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 สาระสำคัญอยู่ที่ความรู้ตัวถ้าบริกรรมแล้วไม่รู้ตัวสู้รู้ตัวแบบไม่บริกรรมดีกว่าถูกไหมปฏิตปว่ากลับกลับมารู้สึกกลับมารู้สึกอย่าไปอย่าไปนะปฏิแปลว่ากลับปฏิวัติกลับมารู้สึกรู้สึ ก, ก, ก, ส ก, สกใช้คำบริกรรมช่วยมันชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้เคล็ดลับของการปฏิบัติอยู่ตรงเนี้ยตรงที่รู้สึกตัวอยู่กับอาการของเราประกอบคาบริกรรม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 ไม่ยากง่ายๆแค่รู้สึกเวลากายเคลื่อนไหวก็รู้เวลาใจมันคิดก็รู้แค่รู้เฉยๆแค่นี้ก็เป็นการปฏิบัติทำที่สมบูรณ์แล้วจบลงที่ความรู้สึกตัวเท่านั้นทีนี้เราจะรู้ยังไงว่าเราปฏิบัติถูกต้องไหมคนที่ปฏิบัติถูกต้องกําหนดถูกต้องรู้ถูกต้องเนี่ยจิตจะเบากายจะเบาจะมีแต่ความผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดมันจะมีความสุข ความฟุ้งซ่านก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วก็จะขยันนะคนไหนที่ขยันนั่นแหละเริ่มปฏิบัติเข้าทางนะคนที่ขยันพุทธองค์ยิงบอกว่าคนมีสติย่อมขยันการปฏิบัติหรือการมีสติแล่นมันก็จะขยันแต่ถ้าทําให้ขยันไม่เป็นไรนะทําท่าขยันไว้ก่อนทำท่าขยันขยันไว้ก่อนง่ายๆวิธีการเอาชนะความขี้เกียจง่ายมากเลยเปลี่ยนเป็นขยันซะความขี้เกียจมันก็หายไปแล้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 เห็นธรรมะเห็นธรรมะไม่ใช่เห็นสีเห็นแสงหรอเห็นพระพุทธเจ้าหรอเห็นคนที่ตายไปแล้วมาขอส่วนบุญอันนั้นไม่ใช่นั้นมันทำเมาทำเมาหลงหลงเห็นธรรมะต้องเห็นตัวเราเห็นกายเรากาลังทาอะไรเห็นใจเรากาลังคิดนึกอะไรนี่คือเห็นธรรมเห็นตัวเรานะพนันการปฏิบัติเนี่ยไม่เกินตัวเราเลยไม่เกินรู้นอกเนื้อนอกตัวเรา เรารู้นอกตัวมากแล้วมารู้จักตัวเราเสียบ้านอาศัยสตินี่แหละคุณธรรมจะมีมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับสติเพราะฉะนั้นสตอมีมากมากคือขยันรู้สึกขยันรู้สึกบริกรรมก็รู้สึกอันเนี้เป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้จะรู้จักแก้ปัญหาตัวเองเวลามันเกิดปัญหาที่ขณะปฏิบัติเนี่ยเราจะเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างไรบ้างตรงเนี้ย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 ไปนอนอยู่ตอนเสียบน้ําเกลือสายออกซิเจนแล้วก็อ้าฉันจะฝึกตอนนั้นเลยไม่มีทางเลยพอแทนหมด ก, กาลังใจแล้วต้องรอกําลังใจตอนนั้นไม่ต้องแล้วเราฝึกตอนเนี้ฝึกอดทนอดทนกับทุกขเวทนากายทุกใจไม่ทุกเวลาจิตใจมันขี้เกียจไม่อยากปฏิบัติอ๋อรู้จักเอาชนะมันได้ไหมเอาชนะความขี้เกียจขณะปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ไปใช้ชีวิตมันก็ทําอะไรไม่สําเร็จฝึกจาก เนี่ยห้องกัระรธานเนี่ยเป็นวิธีการฝึกเวลามันเกิดความง่วงนอนเอาชนะมันได้ไหมถ้าเราเอาชนะตอนนี้ไม่ได้แล้วก็อยู่บ้านเวลาง่วงเราก็หลับเหมือนเดิมอันเนี้ยเป็นแบบฝึกอย่างดีเพื่อนําเอาไปใช้กับที่ิตประจำวันไอ้ฝึกยากๆอะยิ่งดีอย่เลยสั่งสมพลังเอาไว้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยเป็นอุปสรรคเราว่าอย่างนั้นนะแต่นั่นละ่ะ คืออุปกรณ์ในการนาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่าทอแท้กับมันดีแล้วที่มีโอกาสได้ฝึกซะก่อนเพราะว่าเรื่องของชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากชีวิตเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากว่าเราจะไปทางสุขหรือจะไปทางทุกเรารู้ไม่ได้เรารู้ไม่ได้เพราะทุกอย่างมีแต่การเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนตังกันเลยบางอย่างสมหวังบางอย่างผิดหวัง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 ตัวร่างกายต้องผิดปกติต้องกลายเป็นคนพิการแบบเนี้ใช่ไหมเราทำใจได้ไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าความทุกข์มีไว้ให้ท้อแท้ความทุกข์มีให้ตั้งหลักที่จะใช้ชีวิตใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่มาปฏิบัติทำชีวิตก็ดีขึ้นลืมเรื่องเก่าๆกล้าเผชิญหน้ากับพญามาจุราชได้เพราะว่ามีธรรมะเป็นที่พึง่งเราจะรอให้พิการก่อนแล้วค่อยเอาจริงเอาจังเลย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 ที่เราไม่เคยเจะเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้มีโอกาสสร้างพลังของสติเอาไว้เตรียมตัวรักษาจิตใจฝึกจิตฝึกใจให้มีภูมิต้านทานกับความทุกข์สร้างภูมิต้านทานด้วยการปฏิบัติธรรมและต่อไปเวลาเจอปัญหาเนี่ยสบายเลยเห็นไหมเนี่ยเจอปัญหาสบายเลยเนี่ยการปฏิบัติธรรมในมันดีอย่างนี้ได้ประโยชน์ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมอยู่ในทางโลกก็มองโลกในแง่ดี เจอเรื่องเลวร้วายกลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดา้คนที่ไม่ได้ปฏิบททัติธรรมเวลาเจอปัญหาชีวิตก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ค่าตัวตายกินยาตายต้องกินยานอนหลับเป็นโรคจิตโรคประสาทเพราะไม่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แต่ถ้ามีธรรมะแล้วมันจะมองเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยจิตใจที่เป็นปกติคนอื่นเป็นทุกข์กันแต่เราไม่เป็นทุกข์ ในเรื่องเดียวกันเนี่ยอากาศร้อนมากก็อื่นบนมุดร้อนจังแต่เราไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเห็นเขาเป็นทุกข์แต่เราไม่ต้องเป็นทุกข์แต่สามารถช่วยเหลือก็ได้อย่าลืมนะสามีภรรยาเขาบอกว่าเราเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันเวลาเธอเป็นทุกข์ฉันทุกข์ด้วยเวลาเธอสุขฉันสุขด้วยอย่าไปคิดอย่างนั้นเธอสุขฉันสุขด้วยเธอทุกข์ฉันไม่ทุกข์กับเธอแต่ฉันช่วยเธอไม่ต้องเป็นทุกข์มันต้องอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเรื่องอะไรต้องเป็นทุกข์กับเขาด้วย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 มีความสุขได้สุขทางโลกจะต้องไปดูไปฟังไปตีตัวต่อคิวรอรุ้นจะต้องให้ไรอย่างใจด้วยสุขทางโลกเหน็ดเหนื่อยจะต้องแก่งแยกสุขทางธรรมไม่ต้องไปไหนมันมีอยู่แล้วอยู่ในตัวเราเพียงแค่<ๆ>ให้มีความรู้สึกตัวไอความปรๆๆๆุงแต่งทําให้เราเป็นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นก็อยากจะให้เราได้สักถามใครอยากมีอะไรถามก็ถามได้นะเรื่องการปฏิบัติ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 เราทำงานค้าขายอย่างมีสติรู้ตัวว่าเรากาลังทำอะไรอยู่ดีว่าเราค้าตรงนี้ใจคิดว่ามันน่าจะมีลูกค้ามากๆทํทำไมลูกค้าไม่มาอย่างนี้คือไม่ได้ปฏิบททัติธรรมจิตใจฟุ้งซ่านแปอนาคตวหวังในผลแต่ถ้าเราค้าขายอย่างมีสติเว่าใจเราเกิดความโลภ ก, ก็รู้มันโกรธก็รู้นี่เป็นการปฏิบททัติธรรมโลกไม่ชําทาไม่เสียปฏิบัติธรรมเปการใช้ชีวิตเลย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 อาาคตก็ตามไปส่งถึงชาติหน้าผมหน้าไม่มีการเสียประโยชน์มีแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเป็นบุญลำดับขั้นอยู่ก็มีความหมายตายก็มีความหวังไม่ต้องกลัวว่าตอนแก่จะไม่มีกินนะอย่างผมเนี่ไม่มีเงินหรอกแก่จนป่านนี้แล้วยังมีคนดูแลมากมายธรรมะช่วยรักษา ธรรมะช่วยจัดสรรไม่ต้องกลัวมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่ต้องกลัวอดตายขออภัยนะพระคุณเจ้าท่านบวชท่านก็ไม่มีเงินหรอกจนป่านนี้ท่านมีแค่บาทเดียวท่านอยู่ได้ต่อชีวิตเลยมั้ยอยู่จนแก่ยิ่งแก่ยิ่งขลังยิ่งแก่ยิ่งขลั ง, แ, ง แ, และเราเนี่ยโอ้ทาอะไรได้มากกว่าอย่าไปกังวลนะคําตอบมีมากมายไม่ต้องกลัวนั่นคือแค่อนาคต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 ผู้เจ้าตัดไว้ว่าผู้ที่ประพฤติ ธ, ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมะย่อมรักษาผัวประพฤติ ธ, ธรรมโอ้ดีทั้งนั้นอันนี้ผมไม่ได้ว่าเองพระพุทธเจ้าว่าไว้คนบางคนนะคะที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ทําชั่วตลอดเวลาแต่ก็ยังได้ดีได้ดีแล้วอย่างยี่คําที่พระพุทธเจ้าพูดว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันก็ไม่จริงสิคะ จริงไหมทำทั่วได้ดีมีถมไปใช่ไหมทำดีได้ดีมีที่ไหนโอ้นี่มันภาษิีโบราณแล้วเรางจักแบ่งดีกับชั่วถ้าเราทําดีมันดีไหมแล้วมันได้เงินไหมคนบอกว่าทําดีดีแต่มันไม่ได้เงินได้เงินจึงจะดีปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงจะได้เงินได้ไงเอามะม่วงไปขายก่อนจะได้เงิน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 แต่คิดเนี่ยมันดีแล้วเราไปเจอคุณพ่อคุณแม่เรากรอดท่านดีไหมอาการกอบแบบนี้ดีใช่ไหมแต่นี้อาจจะรำคาญท่านต้องกอบเราตอบได้หรือแต่เราก่อท่านเราดีแล้วกระทําดีแล้วใช่ไหมส่วนท่านจะกรอบตอบเราหรือไม่ น, นั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งมันดีอยู่แล้วในการกระทําเราคิดชั่วทําชั่วก็ดีอยู่แล้วในการกระทําส่วนผลนั้นบางทีต้องรออีกหน่อย ทำไมคนจึงทำดีแล้วจึงมีความทุกข์ทำไมคนจริงทำความช่วยแล้วจึงมีความสุขลอยนวลเราแน่ใจหรือแล้วเขามีความสุขอยู่เราแน่ใจหรือตลกที่แสดงหน้าเวทียิม้มแย้มแจ่มใสรู้เลยว่าเขามีความสุขจริงในใจอาจจะเป็นอะไรลึกๆ ก, ก็ได้คนเราเนี่ยมีกระเป๋าอยู่สองใบกระเป๋าบุญกระเป๋าบาปหรือกระเป๋าดีกระเป๋าชั่ว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 ถูกมมันรับอยู่ที่ผู้กระทาก่อนเราอย่าดูอาการภายนอกอาการภายนอกอาจจะเป็นการเสแสร้เป็นการสร้างภาพแต่ข้างในนะัเป็นของจริงถ้าเราปฏิบัติเราจะรู้จักตัวเราอ่อนี่ชั่วทำใจเราอย่างนี้นะทำให้ใจซ่อมมองนะออดีทำให้ใจเราผ่องใสเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยอาจจะเกิดไม่พร้อมกันเราจะเห็นว่าทำไมเขาึงมีความสุขเห็นหมเขาทาความชั่วทาไมจะมีความสุข ที่มีความสุขผลของความดีที่เขาเคยทำมากำลังส่งผลอยู่ก็ได้ส่วนผลความชั่วนั้นอาจจะรอในวันต่อไปเขาได้ไม่ต้องให้คอยดูเขาไม่ต้องคอยดูไม่ต้องคอยส่น้ำหน้าเขาเขารับผลเองอยู่แล้วเพราะนั้นคนทุกคนเนี่ยจะทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามมีผลทั้งนั้นเลยแต่จะส่งผลเมื่อไหร่นั้นบางทีต้องอาศัยเวลาปลูกมะม่วงต้องได้มะม่วง ปอกมาม่วงไม่ใช่ได้เงินเอามะม่วงไปขายก่อนจะได้เงินบางทีต้องรอเวลาทำดีดีทำชั่วชั่วถูกนะแต่เรามากักจะมองว่าความดีอยู่ข้างบนใช่ไหมทำความดีแล้วเราต้องดีแบบนั้นคือเอาตัวเราจะต้องดีทำไมไม่ทำความดีเพื่อความดีเราจะไม่ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเราอยากจะดีเนี่ยไปยึดมั่นถึงมั่นทำดีออดี เพื่อความดีไม่ใช่ทำดีเพื่อให้เราดีให้เราดีเมื่อไหร่แล้วก็คนนู่นจะต้องสรรเสริญเรานะเราต้องมีเงินมีท้องนะจึงจะดีเรามากักจะมองความชั่วในแง่ของความลำบากความทุกข์มองในแง่งความดีคือต้องได้เงินต้องได้คำตัดสินืิน ย, นยออันนั้นเป็นเพียงมองแค่ภายนอกแต่ข้างในนั้นเราจะรู้ดีว่ า, ามันเกิดอะไรขึ้นกับใจเราเห็นหมเวลาเราให้ใครเนี่ยเราสบายใจไห สบายใจเห็น ไ, ไหมเราจะบริจาคของสักอย่างเราเนี่ยมันอีคิดให้ดีไหมเนาะอันนี้ก็มีประโยชน์เอาไว้ใช้ก่อนก็ดีกว่าแต่พอให้ไปแล้วเนี่ยโอมหมดเรื่องเวลาเป็นโอ้โลงโ่งอกไปทงที่ได้ให้เขางั้นคิดอยู่นั่นแล้วอีกใจนึงก็ตันีอีกใจ น, นึง ก, ก, ก็อยากให้เอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะวันหน้าได้ใช้ให้ไปก็ดีมันเกกะเลยเกิ น, อกนโอ้นอนไม่หลับไอ้สอัสแต่ให้ไปแล้วเออโล่งไปทีโลงโ่โล ง, โอโลงอกลงใจเห็นไห ม, ไหมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้พิสูจน์ได้ที่ใจเรา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 ก็ต้องมีสติรู้ทันโอขนาดเราทําดีแล้วยังไม่ได้ดีไปทําชั่วผมจะได้ดีตรงไหนล่ะสติรู้ทันอ๋อนี่มันจะชั่วเนี่หนักเข้าไปอย่างนี้เนี่ยเวลาเราเศร้าหมองแทนที่จะไปหาพระไปกราบพระไปฟังธรรมไปสนทนาธรรมกับเพื่อนกับพระแต่กลับไปดื่มเหล้าดับความเศร้าหมองแล้วคิดเลยว่าดื่มเหล้าแล้วมันจะหายเศร้าหมองมันเศร้าแต่เริ่มจะไปดื่มแล้วและดื่มเข้าไปเนี่ยโอ้ทําให้ร่างกายก็เศร้าหมอง แต่เกิดมาในคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ป้อนเหล้าเลยมีกล้วยซวยๆให้เรากินแต่เราไปกินเหล้าเขาไปทำลายร่างกายแล้วก็หายเมาก็เราไม่น่าเราไม่น่าเลยเห็น ไ, ไหมให้มีสติรู้ทันแล้วก่อนทําดียังไม่ได้ดีทําทชั่วจะได้ดีได้อย่างไรต้องละสติต้องมาทันถ้าสติมาไม่ทันเนี่ยทุกอย่างนี่ยับยั้งชั่งใจไม่ได้เวลามันเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยอย่เช่นคิด จะทำความชั่วถ้าเราขาดสติไม่เห็นความคิดเราก็เอาความคิดนี้เป็นเราเลยพราะความคิดเป็นเราก็ต้องทำตามความคิดอย่างเช่นโกรธเขาเนี่ยโกรธมันโกรธเรารู้ไม่ทันในความโกรธไม่มีสติไม่โกรธหนอโกรธหนอขาดสติทำตามความโกรธแล้วต้องรีบทำไดยนะต้องรีบไปต่อว่าเดี๋ยวมันจะหายโกรธต้องรีบใช่ไหม พอขาสติคอยเย็บจังยั่งใจคอยตัดอารมณ์ตัดความสุขมีไหมก็เรียกติดอารมณ์นะติดอารมณ์มันก็ก่อไปกับอารมณ์เสร็จแล้วมันก็เกิดปัญหาที่หลังโอ้เราไม่น่าเลยเราไม่น่าไปว่าก็เลยไม่น่าทําำลายก็เลยนะพราะกาสติคอยเย็บจังยั่งใจบางอย่างแก้ไขไม่ได้เสียใจไปตลอดชีวิตเพราะคําพูดเพียงคําเดียวว่าก็ได้เพียงคำเดียวนั้นทําให้เราซ่อ้หมองกับคุณพ่อคุณแม่กับคนที่เรารัก เพียงแค่คําเดียวเราไม่น่าพูดไปเลยแล้วแก้ไขไม่ได้ละเพราะต้องขาดสติแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละพอจะไปทำโจให้มีสติเข้าไว้แค่มีสตินี่มันหยุดเชนเวลาเราไม่พอใจเกิดความโกรธ ถ, ถ้าเราขาดสติเราจะโกรธเต็มร้อยถูกไหมถ้ามีสติเอาละว่าคนะรึ่งคนละ ห, ห้าสิบห้าติถ้าสติมากความโกรธหายไปเลยหัวล่อเยาะความโกรธได้โอ้ไอ้แขกหน้าดำํำ องผ่านมาแล้วก็จงผ่านไปซะแขกหน้าดำถ้าเป็นความดีมาสติรู้ความดีก็ต้องรู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทั น, นเข้าอยู่ในความดีให้เราดีหนักเขา้าใหญ่เล ย, ยิึดมัน่นถือมัน่นไอ้แขกหน้าขาวอ้อนี่มันก็ร้ายกาเหมือ น, นกันนะความมืดสีขาวต้องรู้ทันในความดีคนที่เป็นทุกข์มากไม่ใช่คนทาชั่วนะทุกข์มากเพราะคนทาดีแล้วก็ติดดีทาดีแล้วทาไมไม่ได้ดีทาไมไม่ได ชื่อเสียงทำไมไม่ได้เงินได้ทองเพราะติดดีไม่ได้ทำดีเพื่อความดีแต่ทำดีเพื่อให้เราดีถ้ามีเราแล้วก็ทุบมันจะเกาะกินใจทันทีเลยสติต้องมาก่อนสติมาปับ๊บมันหารคุลครึ่งเพราะเกิดปัญญารู้ทันปล่อยวางชั่วไม่ทำดีทาแต่ก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นอาการติดดีจึงไม่เกิดขึ้นเมื่อกี้ถามอะไร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 เราต้องแบ่งแยกนะเราทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเรากำหนดเคี้ยวจนละเอียดเลยค่ะมีประโยชน์สองอย่างง่ายๆการเคี้ยวอาหารละเอียดช่วยย่อยง่ายๆแล้วก็อร่อยนานนะแลปะปกติ <c oughs> เป็นคนที่กินช้าอยู่แล้วการเคี้ยวให้ละเอียดทำให้อาหารย่อยง่ายแต่ถ้าเรามีสติตามรู้ไปเนี่ยทำให้สติมันเกิดบ่อยๆบ่อยๆก็กาหนด เคียวหนึ่งหนอเคี้ยวสองหนอเคี้ยวสามหนอจนหมดนะคะแต่ฝาจะหมดจานก็รวมชั่วโมงไอเขาขาก็ไม่เป็นไรหรอกใหม่ๆก็ไปเขาไปหมดแล้วเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปไใหม่ใหม่ก็นอย่างนี้ก่อนแล้วต่อไปมันก็จะไวขึ้นเองแหละไอเรื่องตึงเนี่ยมันทํายากเห็นไหม แต่หย่อนเนี่ยมันง่ายมากไม่ต้องกลัวทําต่อไปแล้วต่อไปแลจะค่อยๆดีขึ้นไวขึ้นไวขึ้ น, นสติจะดีขึ้นเรื่อยๆ <laughs> ไม่ต้องกลัวยังสองวันแรกที่มานะคะรู้สึกว่ามันตึงแล้วมันมวนในท้องอเก่งอยู่วุวายอยู่เน็ตท้องนะคะมันอึดอัดมากเลยค่ะเข้าใจเข้าใจเออมาคืนก่อนผ้ า, าจารย์บอกว่ามีใครเคยนับมั้งไหมว่าบันไดมีกี่ขั้น ใจก็ยังคิดว่าโอ้โหทำไมพระอาจารย์ถึงละเอียดจังเลยเนาะขนาดแค่เดินหนอนี่ก็ลำบากอยู่แล้วนะคะพอเราเดินมานี่เราก็ลองดูว่าฝาหนึ่งหนอใจสองหนอฝาสามหนอออถึงจะได้รู้ว่ามีเก้าขั้นนี่แหละเขาเป็นแบบฝึกแบบฝึกเพื่อให้เรามีสติให้มีความรู้สึกตัว เป็นแบบฝึกตอนแรกก็ยังฝืนทําไมพระอาจารย์ละเอียดจังเลยมันลําบากหลือเกินเนาะอังนี้สินี่เวลาทําเนี่ยอย่าตั้งใจจนเกินไปอย่าตั้งใจจนเกินไปอย่าไปเครียดทําเล่นๆสบายๆหนอก็หนอแบาดสบายๆแบบผ่อนคลายเลยพระอาจารย์ไม่ตัดคะแนนหรอกไม่บาปไม่บาปเนี่ยเป็นแบบฝึกนียบางคนเนี่ยต้องฝึกมากๆเห็นไหมเวลาที่เราเขียนหนังสือใหม่ๆเนี่ยเราต้องมีเส้นไขปลาใช่ไหม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 นั่งหาวนี่ยฮะอาไอ้เขาหาง่วงหนอง่วงหนอตลอดทั้งวันเลยะน้ําตาก็ไหลนั่นนหละนี่แหละก็เรียกได้อารมณ์นั่นแหละดีแล้วนั่นแหละสภาวะธรรมกาลัาลางเกิดขึ้นแต่ให้เรารู้<ต>ทันมั น, มนแต่ว่าเราก็หมดว่า ง, ง<อ>่วงหนอง่วงหนอแต่ก็ไม่หายง่วงสักทีต้องไปกินกาแฟต่ออ่เนี่ยมันกลายเป็นกรรมฐานกาแฟอไรอลาหันแคปซูล แล้วไม่ต้องหาตัวช่วยแล้วก็เปลี่ยนยาบทเะแล้วลูกไปเดินไปล้างหน้าล้างตาอย่าไปกลัวอย่าเป็นทุกข์กับมันแก้ไขด้วยสติปัญญาของเราอย่าไปเอาจริงเอาจังอย่าไปเพ่งยองเกินไปไม่ทำให้ท่อ ม, มันปั่นป่วนดีแล้วรู้จักแก้ไขตัวเองนี่แหละไม่เป็นทุกข์นี่แหละ จริงๆแล้วนะคะทางทางวิทยากรหรือคุณยายสิริคุณแม่กับแก้วนะคะก็จะบอกว่าเวลาเรานอนนะคะจะสังเกตง่ายก็คือถ้าจะดูว่าท้องพองหรือท้องยุบนะคะลูกโยคีก็เอามือมาประสานที่เหนือเหนือสะดือหรือวางตรงสะดือค่ะแล้วพอมันพองก็จะเห็นอาการพองยุบชัดเจนนะคะแล้วก็ที่ลูกโยคีปฏิบัติก็ถือว่าอย่างที่อาจารย์บอกค่ะก็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 แต่ทำไมนะคะบุคคลชอบพูดว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมะคะ่ะไม่มีเวลาปฏิบัติมันก็ถูกเพราะเราไม่ได้ให้เวลาเรามองความสำคัญของการปฏิบัติธรรมมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเห็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่สำคัญมันก็จะไม่มีเวลากับสิ่งนั้นเราให้ความสำคัญสิ่งไหนสิ่งนั้นก็เราก็จะมีเวลามากเห็นไมสมมตินะ เราให้ความสําคัญของเงินเราก็จะมีเวลาหาเงินมากมีโอทมากมายเพื่อการหาเงินเพราะเราให้ความสําคัญจะต้องมีเงินจึงจะมีความสุขทําไมเราจึงไม่เปลี่ยนไปให้เวลาตองการปฏิบัติธรรมบ้างให้ความสําคัญโอ้ปฏิบัติธรรมนี่มันพ้นทุกได้มันแก้ปัญหาชีวิตได้ทําให้ชีวิตมีความสุขมากมีทุกน้อยถ้าเราให้ความสำคัญองการปฏิบัติธรรมมากๆนี่เราจะมีโอทกับการปฏิบัติธรรมนะ ึ้ออยู่ว่าเราจะให้ความสำคัญสิ่งไหนมากสิ่งนั้นก็จะมีค่าตราหนักรามากเพราะนั้นขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญสำคัญคือว่าเรารู้ไหมว่าปฏิบัติทำล้วได้อะไรบ้างอย่างน้อยได้ความพ้นทุกได้รู้จักแก้ปัญหาได้ช่วยเหลือคนอื่นคนเรามักจะอยากให้คนโน้นนี้มาปฏิบัติอยากให้คนที่เรารักมาปฏิบัติแต่เราลืมไปว่าเราเองต่างหากที่ต้องปฏิบัติ เพราะเราให้ความสัมาการว่าอยากให้คนอื่นคนดีแต่ลืมตัวเราไปเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากตัวเราก่อนให้ตัวเราได้ผลแล้วค่อยบอกคนอื่นดูตัวอย่างคนที่ปฏิบัติธรรมและมีความทุกเนี่ยหาไม่ค่อยได้ส่วนมากจะมีชีวิตที่ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเราช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยบางทีเราสงสารคนที่เรารักอยากจะช่วยเขาแต่ไเราจะช่วยอย่างไรเพราะเราไม่มีข้อมูลเรื่องธรรมะ แต่ถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะอ๋อช่วยคนอื่นได้มากมายเลยคนเราอยากจะช่วยทั้งนั้นแต่ช่วยไม่ได้จะช่วยอย่างไรเพราะเราไม่มีข้อมูลเราช่วยตัวเองให้รอดดีแล้วละแต่ก็ช่วยคนอื่นด้วยเนี่ยโดยการปฏิบัติธรรมดีทั้งเราดีทั้งคนอื่นทําให้สิ่งแวดล้อมดีเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาโอ้มากมายประโยชน์การปฏิบัติมองประโยชน์ให้มากๆสิ่งนั้นก็จะมีค่าสาหรับเราเราก็จะวิ่งไปหาตัวนั้นทําไมเวลาเราปฏิบัติธรรมเสร็จแล้ว เราต้องอธิษฐานว่านิพพานนะปัจโยโหตุเพราะเป็นการตั้งมั่นว่านิพพานเนี่ยเป็นสิ่งสูงสุดตั้งมันบ่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสพาเราไปถึงนั้นได้นะตั้งมั่นสิ่งไหน บ, บ่อยๆคืออธิษฐานบ่อยๆเนี่ยทําให้ใจิตใจเราเนี่ยน้อมไปสู่ส่วนนั้นได้ง่ายๆเคยไหมที่บ้านเราเนี่ยเก้าอี้ตัวเนี้ยมันวางตรงเนี้ยมันเกะกะเลอะเกินเดินผ่านมากเกะกะเลอะเกินอีกไม่ช้าเก้าอี้นี่มันจะหายไปใช่ไหมเราก็ต้องเอามันออกไปอยู่ดีอ ถ้าเราบอกโอ้ภาพนี้สวยภาพนี้สวยมองบ่อยๆภาพนี้มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยอีกนานพอเราให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นในทางบวกเราอยากให้สิ่งไหนที่มีค่าสาหรับเราเนี่ยมองมองให้มากๆเราก็จะทำในสิ่งนั้นมากๆต่อไปนะคะเป็นคำถามสุดทิตของคนจีนนะคะเขาสงสัยว่าคนเล่นไพ่ตลอดเวลามีสมาธิหรือไม่เนี่ยแหละคือสมาธิแต่มิจฉาสมาธิสมาธิไปเพื่อความหลง สมาธิมีสองอย่างคือสัมมาสมาธิคือสมาธิที่เป็นไปเพื่อการทําให้เกิดปัญญาอีกสมาธิหนึ่งสมาธิทําให้เกิดความหลงอย่างเช่นเราเล่นไพ่เล็งปืนตกเบ็ดตกเบ็ดนี่ดูที่ทุ่นทุ่นจมอะไรวัดมันนั้นอันนี้คือมิจฉาสมาธิใจเป็นสมาธิแบบหลงๆอย่างเงี้ยเวลาตายไปก็ก็หลงไปแต่สัมมาสมาธินั้นเป็นสมาธิที่เจริญแล้วจิตสงบ ติดเกิดปัญญาต่างกันนะทำอย่างไรจะอยู่กับความทุกข์ได้ทั้งทั้งที่ความทุกข์มากระทบอารมณ์ตลอดเวลาค่ะก็อยู่แบบไม่ยึดมั่นถึงมั่นแบบรู้เท่าทันทุกข์ก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็มีชั่วคราวเป็นแขกหน้าดำชั่วคราวเดี๋ยวผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปรู้เท่าทันมันแล้วก็ปล่อยวางมันซะมันก็ไม่มีปัญหากับเราอยู่กับความทุกข์ได้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 ให้มีสติรู้เท่าทันรู้เท่าทันแล้วก็แก้ไขร่างกายเปลี่ยนยาบทิซะพอกายหายปวดใจมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับเวทนานะั้นทุกข์เมียไวร้รู้แล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็น